สารแ่งตั้งใจฟังให้ดีวันนี้จะพูดถึงเรื่องอนัตตาแต่ได้สองอย่างคือไม่สามารถที่จะเข้าไปบังคับไม่เป็นไปได้อย่างใจอยากกับความไม่มีตัวตนร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรานี่เกิดมาแล้วก็มีความโตขึ้นมาเรื่อยๆจากเด็กก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นเฒ่าเป็นแก่เสร็จแล้วก็มีความเจ็บป่วยในราการต่างๆแล้วก็ถึงแก่ความตายเน่าเปื่อยผ้ฟังไปหม ด, ด้วยกันทั้งทุกคนเป็นอย่างนี้หมดทุกคนไม่ว่าเป็นเชื้อชาติศาสนาใดไม่อาจหลีกหนีได้เพราะเป็นสัจธรรมความจริงที่เป็นจริงอยู่คู่กับโลกตลอดไป ของสินี้เป็นสัจธรรมความจริงจะเป็นมานานเท่าไหร่จะเป็นไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในความเกิดในความแก่ในความเปลี่ยนแปลงในความเจ็บและในความตายเป็นสัจธรรมความจริงคู่โลกคู่ธรรมตลอดกาลส่วนจิตใจนั้นซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนั้น ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเป็นอย่างนี้ตลอดการไม่ว่าจะเป็นมานานเท่าไหร่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสการ์ยาวนานไปเบื้องหน้าก็เป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะอาจก็ไปบังคับให้ร่างกาย จ, จิตใจนั้นคงอยู่สภาพเดิมตั้งแต่เกิด เกิดมาแล้วมีอย e ู e, ่สภาพเดิมเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดการเกิดแล้วไม่แก่เกิดแล้วไม่เจ็บเกิดแล้วไม่ตายย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งร่างกายจิตใจเกิดขึ้นแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายกับสลายไปหมดสิ้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะคงที่เป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นตัวเป็นตนคงที่อย่างนั้นตลอดไป แต่คนทั้งหลายก็ยึดยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราที่คงที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนคือร่างกายที่ที่เรามองเห็นตัวเราเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็หลงตัวเราว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นตลอดไปทั้งที่ความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ย มันก็ได้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอย่างนันตลอดไปเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็มีความแก่มีความเจ็บป่วยทุกทรมานมีความตายมีความเน่าเปื่อยผุพังดับสลายไปหมดสิน้นให้เห็นกันต่อนหน้าต่อตา ก, กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ต, ตั้งแต่ปูย่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายและคนอื่นๆก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดการเป็นอย่างนี้ตามตามกันไปตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดไม่มีคนใดเลยที่จะเ ท, oplan, ที่ยงแท้คงที่อย่างนั้นได้ตลอดไปต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปไม่อาจที่จะ hed, เข้าไปบังคับให้ไม่เปลี่ยนแปลงให้ไม่แก่ให้ไม่เจ็บให้ไม่ตายให้ไ <behind> ม่น่าเบื่อผูกพังจนเป็นไปไม่ได้การที่ไม่อาจเข้าไปบังคับได้และการที่ไม่มีตัวตนคงที่ให้ยึดถือได้ไม่มีตัวตนคงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไป เขาเรียกว่าอนัตตาความคิดต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเรียกว่าอ น, นิจจังความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเรียกว่าทุกขังการไม่สามารถเข้าไปบังคับให้ร่างกาจิตใจมีความคงที่คงทนอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เน่าเปื่อยผุฝังย่อมเป็นไปไม่ได้ความไม่มีตัวตนคงที่ ความไม่มีแก่นสารเขาเรียกว่าอนัตตาเมื่อไม่มีตัวตนของที่แต่เราทำไมจึงยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะเพราะว่าเราเห็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้เรามองเห็นตัวเราเป็นตัวเป็นตนแต่เราไม่มองเห็นตัวเรามีความเสื่อมมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คามจริงในขณะปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวล า, าต้องเปลี่ยนลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาต้องเปลี่ยนน้าที่กินเข้าไปตลอดเวลาต้องเปลี่ยนธาตุสาอาหารที่กินเข้าไปตลอดเวลาความจริงในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายน้าเปิดผูกฟังก็ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่แม้จะเห็นชัดเจนอย่างนั้นตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้อง เป็นมาอย่างนั้นและตัวเราก็ค่อยๆเสื่อมโทมลงไปสุดโทมลงไปไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนเบื่อผูกพันด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็ยังยึดถือเป็นตัวตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าตัวเหานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนอย่างมั่นคงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่เป็นความหลงอยู่ในความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งก็คือว่า ไม่หลงว่าตัวเราที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็จริงแต่หลงว่าภายในตัวเหล่านี้มีจิตหรือวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเราเป็นจิตหรือวิญญาณของเราหรือเป็นจิตหรือวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างเหมือนตัวเราอยู่ในร่างกายของเหล่านี้ก็มีความหลงว่า ภายในตัวเรามีจิตรหรือวิญญาณที่เป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอยู่ในร่างกายนี้เมื่อถึงแก่ความตายแล้วก็มีตัวเราหรือมีจิตหรือวิญญาณของเราลอยออกจากร่างเราไปึงคนทั้งหลายเรียกว่าผีมีผีรูปร่างเหมือนตัวเราเมื่อเราตายแล้วก็มีผีรูปร่างเหมือนตัวเราลอยออกจากร่างเราไป ไปไปอยู่ในที่ต่างๆกันไปเกิดในที่ต่างๆกันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผีเป็นเตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายหรือไปเกิดเป็นเทพเจ้าดานางฟ้าหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ต่างๆว่ามีตัวเราเนี่ยตายแล้วแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ยอมรับว่ามันต้องเน่าเปื่อยผุพังต้องแตกดับสลายไป แต่แม้ว่าร่างกายเราตายแล้วก็ยังมีตัวเราออกจากร่างเราไปหล่ อ, อจากร่างเราไปอีกต้องไปเกิดเป็นต่างๆกันถ้าเราก่อใจผิดอย่างนี้ว่าภายในร่างกายของตัวเรานี้มีจิตหรือวิญญาณที่เป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนของเราหรือเป็นจิตเราหรือเป็นวิญญาณของเรา อยู่ในร่างกายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยความเข้าใจผิดอย่างนี้มีความหลงผิดเป็นอวิชชาอย่างนี้เมื่อเราถึงแก่ความตายพอสิ้นใจปับลมหายใจเพือกสุดท้ายก็มีตัวตนรูปร่างเหมือนตัวเราก็เด็นหลุดออกมาจากกลางนี้ทันทีด้วยอวิชาคือความเข้าใจผิดหลงผิดเช่นนั้นเป็นมานานหลายพบหลายชาติจนถึงในชาติปัจจุบัน จะมีตัวตนรูปร่างเหมือนตัวเราก็เด็นหลุดออกมาจากร่างนี้ทันทีเมื่อร่างนี้สิ้นลมหายใจเพือกสุดท้ายทำให้ผู้เชิญวิญญาณฝ่ายสวรรค์หรือผู้เชิญวิญญาณฝ่ายนรกแล้วแต่ว่าบุญหรือบาปจะปรากฏแก่ใจในขณะปัจจุบันนั้นก็จะมาพาจิตวิญญาณที่เราหลงอยู่ในความรู้สึกว่ามีตัวตน มีจิตหรือวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเอาไปรับโทษทันหรือเอาไปเป็นไปไปเกิดในที่ต่างๆ ต, ตามบุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทำไว้และที่ติดอยู่ในจิตสุดท้ายนั้นทำให้ผู้เชิญวิญญาณฝ่ายสวรรค์หรือฝ่ายนรกมารับเอาตัวตนที่หลงอยู่ในความรู้สึกนั้นไป ห, หลงโทษทันได้ หรือเอาไปเป็นประกาศต่างๆเอาไปเกิดเป็นประกาศต่างๆได้และในกรณีที่มีตัวตนหลุดกระเด็นออกมาจากล่างนั้นเมื่อสิทธิ์เราไม่จกรรมเวรทั้งหลายก็ยังให้ผลได้เพราะยังมีเป้าให้กระทบได้ยังมีตัวตนให้กระทบได้ก็จะต้องรับโทษทันตามบาปกรรมผลของกรรมที่ได้ทําไว้ไม่ว่าการรมดีหรือกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นต่อไปอีกตืบต่อไปอีกไม่จบสิน้น ก็จะไปเกิดมีความทุกข์ยากลำบากพบแล้วพบเล่าจัดแล้วจะเล่าต่อไปอีกกรณีทำอย่างไรเมื่อเราต้นใจแล้วจะไม่มีตัวตนรูปร่างเหมือนตัวเราก็เด็นหลุดออกจากร่างเราให้พวกเชิงนิญาณฝ่ายสวรรค์หรือนรกต้องมาพาเอาไปได้กรรมเวรทั้งหลายก็ไม่อาจให้ผลได้เพราะไม่มีเป้าให้กระทบเพราะ ควาเป็นตัวตนดับต่หลายหายไปหมดสิ้นนับแต่ในปัจจุบันนี้เป็นต้นไปความดับกว่าเป็นตัวตนนี้ต้องดับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เมื่อนสิ้นลมหายใจเพื่อสุดท้ายก็ไม่มีตัวตนหลุดกระเด็นออกจากร่างนี้ร่างกายก็ตายแตกดับไปจิตวิญญาณซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ จะดับสลายหายไปทั้งร่างกายและจิตใจกลับคืนสู่ความว่างเปล่ากลับคืนสู่ความไม่มีอะไรกลับคืนสู่ความว่างเปล่าในจักรวาลจะมากับมาปรากฏได้ก็ปรากฏได้เพียงแค่สมมติดาวพุหัสบดีว่าทั้งหลายปรากฏสมมติให้เห็นได้เท่านั้นเองแต่สิ้นความเป็นตัวตนเ แ, แล้วเมื่อความเป็นสมมุติมาปรากฏหายไปก็จะกลับคืนสู่ความไม่มี หายวับไปกับตาหายวับไปกับธรรมชาติไม่มีผู้เชิ่วิญญาณฝ่ายสวา่างฝ่ายนรกค้นหาตัวตนใน้พบอีกต่อไปเจ้า ก, กรรมในเวททั้งหลายก็ไม่อาจคน้นตัวตนนั้นได้ไม่อาจค้นหาตัวตนที่จะให้ผลของกรรมได้ต่อไปกรรมเวททั้งหลายทั้งกรรมดีและกรรมชั่วก็เป็นโมฆะไปหมดสิน้นความที่จะสิ้นการเป็นตัวตนได้ในปัจจุบันนั้นต้องเปลี่ยนจากความเข้าใจที่ผิด คือเ็ความเข้าใจผิดดังกล่าวแล้วว่าร่างกายเหล่านี้ที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี้เป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราโดยความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเป็นเพียงธาตุสารอาหารที่เรากินก็ไปตั้งแต่กินเนื้อนอมไข่ผักสดผลไม้กินไปตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ตั้งแต่เริ่มเป็นต่อมเลือดเด็กเล็ก เป็นตอมที่เขาเรียกกัลละล ะ, ท ะ, ทะเพราะสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่มาผสมกันก็เลยเกิดมาเป็นตอมเล็กๆแล้วก็ทิ่สุดแล้วก็กินอาหารกินอากาศผ่านมาจากแม่แล้วก็กินธาสารอาหารเหล่านี้กินธรรมชาติก็ไปเติมก็ไปเติมเขไปทุกวันจนโตมาจนถึงทุกวันนี้ที่คุณเธอเป็นอยู่แต่ทุกวันนี้ก็ยังกินต่อไปอีกกินธาสาอาหารธรรมชาติและร่างกายที่โตมา น, นี้ไม่มีส่วนใดเลยที่เป็นของของเรา เพราะส่วนที่เราว่าเกิดอาเป็นกัลลาลาหรือต่อมเล็กๆเท่ากับจุดน้ําค้างเมืนยอด้ายอดเล็กๆนั้นก็มาจับสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่ไม่ได้เป็นตัวเราเลยเอาที่เราโตขึ้นมีผมขนเล็้อยไหนังเนื้อเอ็นกระดูกโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่นั้นก็ล้วนแต่สารอาหารตามธรรมชาติที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อเป็ดเนื้อไก่กุ้งหอยปูปลาผักผลไม้ ไขมันเกลือแร่แท้สารอาหารต่างๆกินน้ํากินอากาศของธรรมชาติเป็นทั้งนั้นแนี่ยในร่างกายเราพิจารณาให้ดีๆก็จะเห็นว่าในร่างกายเรามีแต่ซากศพไม่รู้กี่ชีวิตที่เรากินเข้าไปกินวันแล้ววันเล่าวันแล้วะละวันเล่าจนต้องโตมาทุกวันนี้เราก็ยังกินต่อไปเรื่อยๆเราก็หลงมาว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่เป็นของชีวิตอื่นสัตว์อื่นเป็นของ ธรรมชาติเที่ยวกินเข้าไปผสมกันอาจได้เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของของเราใหม่และมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายไปสู่ความผุพังสลายน่าเปื่อยผุพังไปหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือเป็นแก่นเป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่อย่างนั้นได้ตลอดไปเมื่อก็จะอย่างนี้จิตใจก็จะค่อยๆปล่อยวาง ควาเป็นตัวตนของร่างกายนี้ไปและที่สุดก็พิจารณาเห็นว่าคิดหรือวิญญาณนั้นเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันตามเหตุตามปัจจัยตามนิสัยความเคยชินของแต่ละคนแล้วก็ดับไปปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยตามนิสัยความเคยชินของแต่ละคนแล้วก็ดับไป หาได้มีแก่นแท้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นคงที่เป็นตัวเรา เ, เป็นตัวตนของเราเหลือคงที่อยู่อย่างนั้นในขณะปัจจุบันแต่และขณะปัจจุบันถ้าเราคุยกับเพื่อนหรือดูโทรทัศน์เพลินไปหรือดูโทรทัศน์อยู่หรือว่าทำงานอยู่ เราก็ลืมความเป็นตัวตนไม่ได้นึกถึงตัวเราเลยเราก็ลืมนึกถึงตัวเราไปแต่พอมีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือว่าผู้ที่ฝึกจิตพร้อมไม่มีงานทําแล้วไม่มีใครแล้วก็คิดถึงเรื่องจิตของเราคิดถึงว่าเราจะฝึกจิตอย่างไรจะเกรูปวิพญานหรือว่าเราจะต้องทำอย่างไงจะปฏิบัติอย่างไรก็มีเราขึ้นมาทันที มีเรามีตัวเราขึ้นมาทันทีในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นขณะที่คุยอยู่กับเพื่อนทางานอยู่ในขณะนั้นน่ะไม่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราอยู่เลยในขณะนั้นมีแต่งานที่ทำอยู่มีแต่การคุยกันอยู่แต่ไม่มีความเป็นตัวตนอยู่ในใจเลยในขณะนั้นแต่พอเพื่อนจากไปหรือเสร็จ ว่างจากงานก็จะนึกถึงความเป็นตัวตนนึกถึงความเป็นเราเป็นตัวเราว่าเราเจ็บเราป่วยเราไม่สบายเราไม่ได้อย่างใจเราพอใจเราไม่พอใจเราเสียใจเราน้อยเนื้อต่ำใจความเป็นเรานั้นเพิ่งเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกนึกคิดตึกตองขึ้นมาในขณะปัจจุบนันนั้นๆแต่แท้จริงแล้วความเป็นตัวตนไม่มีอยู่จริงเลย มันมีความรู้สึกถึงความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราขึ้นมาก็เพราะว่าเรานึกเราตรึกเราตองเรารู้สึกขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นนั้นถึงเราถึงตัวเราถึงตัวตนของเราว่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้เราเจ็บเราป่วยเราเจ็บปวดเราไม่สบายเราพอใจเราไม่พอใจเรากัดเคืองใจเราขุนแค้นค้องใจ เราเสียใจเราน้อยเนื้อต่ําใจเราดีใจหรือจิตเราดีหรือจิตเราไม่ดีหรือจิตเราป่องใสหรือจิตเราเศร้าหมองหรือจิตเรามีอะไรปกคุมค of, มันก็จะมีเราปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราคิดขึ้นมาในปัจจุบันคิดขึ้นมานึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาในปัจจุบันนั้นๆนั่นเองถ้าในปัจจุบันนั้นๆเราไม่นึกไม่ตึกไม่ต่อไม่รู้สึกขึ้นมาไม่คิดขึ้นมาว่ามีเรามีตัวเรากํลาลังเป็นอะไรอยู่ ก็จะไม่มีเราไม่มีตัวเราขึ้นมาเลยแม้แต่มันมีขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นแต่มันก็เป็นเพียงมีขึ้นมาคือมีความคิดมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราแต่หาได้เป็นตัวเป็นตนจริงๆไมก็เพราะว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราซึ่งเป็นเพียงความตึกลึกคิดปรุงแต่งก้นมาว่า เป็นความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราในขณะปัจจุบันนั้นแต่แท้จริงมันไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆแต่มันเป็นความปูงแต่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดตึกตอมปูงแต่งขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรากำลังเป็นอะไรอยู่กำลังเจ็บกำลังป่วยกาลังไ่้กกำลังไม่สบายกำจะตายหรือว่ากาลังผ่องใสกาลังเบิกบานกาลังจะบรรลุพานิพานหรือว่าไม่บรรลุพานิพาน อยงที่มีผู้ถามหลวงปู่ดูลนทุโลว่าที่หลวงปู่ดูลมาสอนเรื่องนิพานนั้นหลวงปู่ถึงพระนิพานแล้วเหรอหลวงปู่ดูลนทุโลตอบได้ชัดเจนมากว่าไม่มีผู้ที่จะถึงและไม่มีผู้ที่จะไม่ถึงไม่มีตัวตนของผู้ที่จะถึงและไม่มีตัวตนของผู้ที่จะไม่ถึงเพราะความเป็นตัวตนไม่มีมีแต่ความคิดความปรุงแต่งที่เป็นความรู้สึกความนึกความคิดขึ้นมาในปัจจุบันนั้นๆ ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรากําลังเป็นอะไรกําลังได้อะไรกําลังถึงอะไรกําลังไม่ได้อะไรกําลังไม่เป็นอะไรกําลังไม่ถึงอะไรเกิดความเสียใจเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความเบิกบานใจเกิดความผ่องใสเกิดความดีใจเกิดความเสียใจเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจในปัจจุบันนั้นนั้นเองเป็นความปรุงแต่งของจิตที่เราหลงไปตามความปรุงแต่งนั้นโดยเราไม่เข้าใจจริงๆด้วย ด้วยปัญญาของเราว่ามันเป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งหลอกเราในขณะปัจจุบันนั้นๆว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราเราหลงความคิดหรือตึกตวามปรุงแต่งนั้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเลยเราก็หลงเป็นตัวเป็นตนจริงๆว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเมื่อเรายังหลงอยู่ในปัจจุบันว่าเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังอยู่เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเรา เป็นตัวตนของเราหรือไม่เช่นนั้นภายในร่างกายเหล่านี้มีจิตวิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในร่างกายจิตใจนี้มันก็จะมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกมันปรุงแต่งไว้ในความรู้สึกที่เป็นความยึดถือเป็นอวิชชาไว้อย่างนั้นตลอดเวลาว่า ในร่างกายของเรานี้หรือตัวเราที่นั่งอยู่นี้หรือภายในตัวเรานี้มีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นี้แต่แท้จริงในปัจจุบันนี้นี้ถ้าไม่นึกไม่ตรุงแต่งเป็นความรู้สึกเป็นความนึกเป็นความคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราขึ้นมาในปัจจุบันนี้นี้มันก็จะไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราในปัจจุบันนี้นี้มันจะมีก็แต่ได้การพูดคุยกัน การฟังการทํางานต่างๆมันจะไม่มีความรู้สึกถึงตัวตนขึ้นมาแต่พอปรุงแต่งจิตปรุงแต่งหรือปรุงแต่งจิตขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นอย่างไรหรือไม่เป็นอย่างไรถึงอะไรหรือไม่ถึงอะไรได้อะไรหรือไม่ได้อะไรมันก็จะเป็นความรู้สึกหลงเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นโดยเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพียงความปรงแต่งของจิตหรือจิตปรงแต่งขึ้นมาเป็นความรู้สึกเป็นความนึกเป็นความคิดเป็นความปรงแต่งให้หลงไปว่าเรามีตัวมีตนหรือเป็นตัวเป็นตน เราต้องทำลายความหลงผิดตรงนี้ด้วยการเข้าใจใหม่ให้ถูกต้องว่าแท้จริงไม่มีตัวตนที่คงที่อยู่ภายในร่างกายเหล่านี้และร่างกายเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่คงที่และภายในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่มีตัวตนที่เป็นตัวเป็นตนอยู่ในร่างกายเหล่านี้เพราะร่างกายเหล่านี้เกินเพียงแค่สังขารทุงแต่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไปสู่ความแก่ความเจ็บความตาย ในปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนธาตุสาอาหารเปลี่ยนธาตุลมหายใจเปลี่ยนธาตุน้ําเปลี่ยนธาตุสาอาหารเปลี่ยนธาตุความร้อนในร่างกายตลอดเวลาส่วนจิตจินญาณก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะปัจจุบันนึกขึ้นมานึกขึ้นมาแล้วนึกขึ้นมาปงแต่งเป็นความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันนั้นแลแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปุงแต่งเป็นความรู้สึกอย่างใหม่นึกอย่างใหม่คิดอย่างใหม่จําอย่างเป็นสัญญาอย่างใหม่ขึ้นมา มีแต่ปุงแต่งเป็นความรู้สึกอย่างใหม่จำสิงใด้ใหม่ๆขึ้นมามีเวทนาอย่างใหม่ๆรู้สึกอย่างใหม่ๆคิดอย่างใหม่ๆมีอารมณ์อย่างใหม่ๆขึ้นมาปุุงแต่งอย่างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดับไปปุุงแต่งแล้วก็ดับไปปรุงแต่งแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหาได้มีตัวตนคงที่เป็นแก่นสารอย่างนั้นไม่มีเวลาเข้าใจนี้จะค่อยๆโยนิโสมนณติการคือความตึก แล้วรู hmm. ้สึกทำความรู้สึกไว้อย่างนี้ไม่ในใจตลอดเวลาก็ไม่มีหรอกร่างกายจิตใจนี้ไม่มีตัวตนคงที่อยู่มีแต่ร่างกายก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปดับไปส่วนที่คงที่อยู่ไม่มีความเป็นตัวตนในร่างกายนี้ไม่มีเมื่อเราเข้าใจสูงความไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอยู่ในใจเราตลอดเวลาเพราะเราเข้าใจแล้วว่าความเป็นตัวตนไม่มีอยู่มีแต่ร่างกายที่คงอยู่ได้ก็เพราะว่ายังกินธาตสารอาหารอยู่ จิตใจที่ยังมีความรู้สึกนึคิดได้เพราะก็ยังมีร่างกายนี้อยู่พอลมหายใจดับไปร่างกายก็ต้องแตกดับจิตวิญญาณทั้งหลายก็ต้องดับไปเมื่อไม่มีความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราอยู่ในร่างกายนี้เมื่อตายแล้วทั้งร่างกายจิตใจก็ดับสลาย ห, หายไปหมดสิน้นเพราะมีความเข้าใจใหม่ซึ่งตั้งแต่แรกในปัจจุบันนี้แล้วซึ่งเป็นวิชาว่า ความเป็นตัวตนไม่มีและไม่มีอยู่จริงมีแต่ความหลงผิดมีแต่ความความเป็นตัวตนที่แท้เป็นความจิตปรงแต่งเป็นความหลงเป็นความรู้สึกนึกคิดปรงแต่งขึ้นมาในปัจจุบันว่าเรามีเราเป็นเราถึงหรือเราไม่ม yes. ีเราไม่เป็นเราไม่ถึงเราไม่ได้หรือเราได้หรือเราไม่ได้ มีแต่ปรุงแต่งขึ้นในปัจจุบันนั้นๆว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเป็นตัวตนของเราในปัจจุบันนั้นๆแท้จริงฐานได้เป็นตัวตนไม่เป็นแต่ความคิดหลอกเราไปถ้าเราเข้าใจจิตใจยอมรับตามความเป็นจริงว่าความเป็นตัวตนไม่มีเลยในร่างกายนี้มีแต่ร่างกายนี้ที่มีเหตุปัจจัยคงอยู่ได้ก็เป็นไปตามธรรมชาติการกินอยู่หลับนอนพูดคุย ปงแต่งหาศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจทําหน้าที่การงานต่างๆก็เพราะยังมีเหตุปัจจัยอยู่ตามธรรมชาติคือต้องกินธาตสารอาหารอยู่ร่างกายก็ยังคงทนอยู่ได้ยังไม่ถึงแก่ความตายแตกดับไปเมื่อหลายสิ้นเหตุสิน้นปัจจัยร่างกายก็ตายแตกดับสิ้นลมไม่ใจร่างกายก็ตายแตกดับนอกเปลือกผิวฟังไปแล้วเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าความเป็นตัวตนไม่มีอยู่ในร่างกายนี้มันไม่มีความเป็นตัวตนมีแต่ ที่ปรุงแต่งเป็นความรู้สึกนม่คิดอารมณ์ต่างๆความเป็นตัวตนไม่มีมีแต่จิตที่ปรุงแต่งความรู้สึกนม่คิดอารมณ์ต่างๆแล้วก็ดับไปปรุงแต่งแล้วก็ดับไปปรุงแต่งแล้วก็ดับไปเพื่อเข้าใจความเป็นตัวตนไม่มีตั้งแต่ปัจจุบนันนี้นี้เอาวิจารก็ดับไปสิ้นเชิงเป็นวิจารคือสิ้นความเป็นตัวตนสิ้นความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราตายแล้วทั้งร่างกายและจิตวิญญาณก็ดับปึ๊บหายไปหมดสิ้นกลับคืนสู่ความว่างเปล่าของจักรวาล ไม่มีตัวไม่มีตนอีกต่อไปไม่มีใครตามหาต่อผู้มีจิตอภิน ญ, ญามีอิทธิฤทธิ์ปานใดก็ไม่สามารถตามหาตัวตนของพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายของผู้ที่อวิชชาดับความหลงสิ้นความเป็นตัวตนได้หมดแล้วเพราะกับพื้นสู่ความไม่มีอะไรกับพื้นสูขความมัางปามหมดสิ้นเหมือนดังที่มีผู้มาท้าพุทธเจ้าว่า สามารถข้อกระดูกของใครก็รู้ได้หมดว่าไปเกิดเป็นอะไรต่างๆกันพุทธเจ้าก็ให้กระดูกมาเคาะก็ตอบได้หมดว่าเป็นคนนั้นไปเกิดเป็นนั้นเป็นนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ไปเกิดที่ไหนสามารถรู้ได้หมดพุทธเจ้าก็ตอบรับรองว่าใช่ใช่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเขาอย่างก่อนตายเขายัางยึดถือว่ามเป็นตัวเป็นตนว่ามีตัวมีตนอยู่พราะพุทธเจ้าจึงให้แปรกระดูก ของพระซึ่งเป็นอรหันแล้วเอามาให้ผู้ติมาทานนั้นเคาะพอเคาะกระดูกของพระอาหานก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณของท่านก็อยู่ที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรไม่สามารถตอบได้เคาะเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้ว่าจิตวิญญาณของพระอาหานไปเกิดเป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนไปเป็นอย่างไรไม่สามารถตอบได้เพราะท่านเข้าถึงความไม่มีตัวตนไปแล้วเพราะท่านเอาวิชาท่านดับแล้วเหลือแต่วิชารู้แจ้งแล้วว่า ร่างกายภายในร่นางกายจิตใจนี้หาได้มีตัวตนเป็นแก่นสารเป็นคงที่ซึ่งคลุมเป็นก้อนอยู่ทุกอย่างมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไ ป, บไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหาได้มีตัวปีตนจริงๆไหมมีแต่ความคิดความรู้สึกที่หลงปุงแต่งไปท่านสิ้นความหลงแล้วก็คือส่้นอวิชชาแล้วว่าอวิชชาคือความหลงความยังไม่รู้แจ้งพิจารณารู้แจ้งหมดสิ้นแล้วพอสิ้นความหลงแล้ว พอตายแล้วความเป็นตัวตนก็ดับสลายหายไปหมดสิน้นไม่มีเหลือจิตวิญญาเป็นตัวตนรอจากร้างนี้ออกไปกลับคืนสูกความว่างเปล่าร่างกายจิตใจก็ดับสลายหายหมดพุทธิมาทาพุทธเจ้าจึงยอมแพ้และตัวท่านเองพอวกพระอหันบริวารทั้งหลายก็รู้สึกว่าบวชกับพุทธเจ้าแล้วก็ผ่ากันปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมากก น, นิพพานไปเพราะฉะนั้นพุทธิกระจายเลยถูกตอ น, จนแจ้งแล้ว พอตายแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีรูปร่างเหมือนตัวเรากระเด็นรุดออกจากล่างเราไปอีกตายแล้วอย่าให้มีตัวตนรูปร่างเหมือนตัวเราก็เด็นรุดออกจากล่างเราไปต้องให้ผู้เชิญวิญญาณฝ่ายสวรรค์นรกมาเอาตัวไปลงโทษไปรับโทษทันต่างๆหรือไปเป็นต่างๆได้และกรรมเวรทั้งหลายก็ยังให้ผลได้เพราะยังมีตัวตนอยู่เมื่อสิ้นความมีตัวตนุดประเด็นออกจากล่างแล้วก็จะไม่มีตัวตนให้ต้องไปรับโทษทันอะไรต่อไป ไปต้องไปเกิดใหม่ให้เป็นทุกข์เกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกเกิดอีกก็ทุกข์อีกลุลําไปไม่เกิด น, นั่นแหละไม่ทุกข์ ก, ก็คืนสู่ความไม่มีอะไรพอรมีอิทีธิพลใดตามหาท่านก็ไม่เจออีกต่อไปผู้ใดก็ตามที่บอกว่าเหาไปฟ้ า, าวุฒิเจ้าได้เอาข้าวไปถวายาวุฒิเจ้าได้ในที่ต่างๆเพราะวุทิเจ้ามีแดนอยู่นั้นไม่จริงทางนั้นนะเนี่ยอยกรใจ่ายถูกต้องแบบนี้เมื่อตายแล้ว ก็จะได้ไม่มีตัวตนที่รูปร่างเป็นรูปร่างเหมือนตัวเราที่เราหลงรู้สึกไว้ว่าตัวเรามีรูปร่างอย่างนี้เพราะตอกระจกทุกวันก็เลยมองเห็นว่าตัวเรามีรูปร่างแบบนี้เราก็จําไว้ในความรู้สึกว่าตัวเรามีรูปร่างแบบนี้แล้วก็มีตัวเรามีตัวเรามีตัวเราตลอดเวลาอย่างนี้ตายแล้วก็จะมีตัวเราก็เด่นลุกออกจากกลางเรามาทันทีนับแต่ลมหายใจเที่ยสุดท้ายวันนั้นแหละก็จะมีผู้เอาวิญญาณเราไปลงทษได้บาปกรรมทั้งหลายเวรกรรมทั้งหลายก็จะให้ผลตอบอีกได้ ให้เข้าใจสมัยจากเข้าใจผิดเป็นอวิชชาเป็น เ, เปลี่ยนใหม่เป็นเข้าใจใถูกต้องเป็นวิชารพรุทธเจาจึงตัสว่าเราม่เห็นโทษอันใดยิ่งใหญ่กว่าวิจารทิฏฐิคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดเข้าใจสมยใหม่ถูกต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ไว้เรื่อยๆใ น, ในใจตลอดเวลาเรียกว่าโยนิสงมาณิการจนสักวันหนึ่งใจท่านยอมรับตามความเป็จริงแบบนี้เอาวิชารทั้งหลายซึ่งเป็นความหลงจิตถือเป็นตัวตนเป็นเรา เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็จะดับหายไปจักใจความเป็นตัวตนทั้งหลายก็ดับไปจักใจครับเมื่อความเป็นตัวตนทั้งหลายดับไปจักใจตายแล้วใจก็ไม่มีตัวตนอีกต่อไปถ้านในใจยังมีตัวตนตายแล้วก็ยังมีตัวตนอยู่นั่นแหละเพราะมันมีตัวตนคือความหลงอยู่ในใจท่านเมื่อความหลงความมีตัวตนอยู่ในใจดับไปความไม่มีตัวตนก็เข้ามาแทนที่ตายแล้วกลายเป็นความไม่มีตัวตน นำไปติดคิดพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันเป็นปัวจะทมความจริงความจริงที่เป็นอยู่จริงพิจารณาได้ที่ครานานูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าความไม่จริงยังปรุงแต่งให้เป็นความจริงได้เป็นในที่มืดนี้แต่ปรุงแต่งว่าในที่มืดนี้มีผีอยู่ผ่านไปอะไรกลัวทุกทีไปไม่ได้แต่จริงๆในที่มืดตรงนี้ไม่มีผีแต่ปรุงแต่งว่าในที่มืดนี้มีผี เลยผ่านตรงกันไม่เดซิสีก็ว่ากลัวว่าตรงเนี้มีผีอยู่ความไม่มีอยู่จริงยังปรุงแต่งให้เป็นจริงได้นักภาษาหลายท่านกล่าวว่าความที่มีอยู่จริงคือความร่างกายนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีความเที่ยงแท้คงที่เป็นตัวเป็นตนอยู่จริงมีความแก่มีความเสื่อมมีความดับตลายมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนจิตใจหรือจิตวิญญาณก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเพียงแค่ ความปรุงแต่งความตึกความลึกความคิดความรู้สึกที่หลงผิดไปเพราะเป็นตัวเป็นตนแต่ความจริงเป็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปหายไปเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาหาได้มีตัวตนเป็นคงที่เป็นแกนสานสาระอย่างนั้นไม่ดังนั้นความเป็นจริงมันมีอยู่จริงความพิจารณาเข้าไปมันก็จะพบความจริงได้เพราะความไม่มีอยู่จริงในที่มืดนั้นไม่มีผีอยู่จริงแต่เรายัง องแต่งให้มีอยู่จริงจะไม่สามารถเดินผ่านที่มืด น, นั้นได้เลยทําไมความมีอยู่จริงพิจารณาให้เห็นไปแต่งความเป็นจริงท่านว่าต้องมนจะทําไม่ได้ผ่านทั้งหลายจึงมีอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้เพราะความมีอยู่จริงนี้เป็นจริงอยู่ตลอดการรอวันที่คนทั้งหลายมาพิจารณาเขาพบความจริงนี้ก็จะสําเร็จมาผลนิพพานไปไปแล้วก็ไม่มีจิตัญญาเป็นตัวเป็นตนรุดอยอดล่างเนี้ยออกไปอีก กานปฏจะทําความจริงนี้มีอยู่คู่โลกคู่ธรรมชาติตลอดการไม่ใช่ว่าสนิพานเพิ่งมีมาตอนที่คนทั้งหลายเกิดพระทั้งหลายต้่งสําเร็จมีอยู่แล้วตลอดการเพียงแต่ว่าใจมันยังไม่เข้าถึงความจริงนั้นเพราะความจริงนั้นแนี่มันมีอยู่จริงแล้วตลอดเวลาเพียงแต่ใจมันยังเข้าไม่ถึงความจริงนั้นต้องมา่นเจริญนาโยนิโตมะนายยนวานสิการตึกลึกไว้รู้สึกทำความรู้สึกถึงความเป็นจริงอย่างนี้ไว้ในใจตลอดเวลา จนใจยอมรับตามความเป็นจริงปล่อยวางความหลงผิดเสียหมดสิน้นใจก็ถึงความไม่มีตัวตนเข้าถึงความเป็นอนัตตาสูญญาตา